ส่วนที่สองการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าจะถามว่าบาปคืออะไรบาปอากุศลทุจริตวิสมัจริยาอันนี้เป็นไวยพ์ใช้แทนกันได้บางแห่งท่านก็ใช้ครบเช่นปาปกาอากุศลาธรรมมาบาปอากุศลธรรมมาด้วยกัน ในอปันนกะปฏิปทาที่ว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วได้ยินด้วยหูแล้วได้กลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องโพัพะด้วยกายแล้วรู้อารมณ์ด้วยใจแล้วพยายามระวังจากขุนศีเป็นต้นโดยประการที่ไม่ให้บาปอาุสลรั่วไหลเข้าไป หรือซึมซาบเข้าไปได้ปาปกาอากุศลาธรร ม, มาอันวาดเสวยยงุงก็ใช้ควบกันมาทั้งสองคำถ้าจะวิเคราะห์ว่าคืออะไรเราก็ได้คําตอบทางศาสนาความชั่วก็คือสิ่งที่เบียดเบียนตนเองบ้างทําแล้วพูดแล้วคิดแล้วเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ทั้งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนบ้างที่สำคัญคือไม่มีประโยชน์คำนี้ต้องเป็นตัวหลักเอาไว้เพราะถ้าไม่มีตัวนี้เป็นหลักเอาไว้มันจะเถียงกันมากเกินไปเช่นอย่างนี้ชั่วไหมอย่างนี้ใครเดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนใครเดือดร้อนบ้างสมมติว่าคนที่ไปกินเหล้าเขาบอก กินแล้วก็มีความสุขดีไม่เห็นเดือดร้อนใครคนสูบบุรีเขาก็บอกว่ามีความสุขดีคนไปเล่นไพ่ก็บอกมีความสุขดีไปทำอะไรเขาก็บอกไม่เห็นเดือดร้อนอะไรมันก็เบี่ยงเบนไปได้หรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความดีบางทีก็ทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อนก็มี คนอื่นเดือดร้อนก็มีแต่มันเป็นความดีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มันต้องยอมเดือดร้อนบ้างเราเดือดร้อนบ้างคนอื่นเดือดร้อนบ้างแต่ทําไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมูมากฉะนั้นความชั่วสิ่งที่ต้องตั้งเอาไว้เป็นตัวกลางก็คือมีหรือไม่มีประโยชน์คือถึงคุณจะไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันมีประโยชน์ไหย พอสาวไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ผนวกเป็นความชั่วลองมาดูอีกระดับหนึ่งคือความทุกข์หนึ่งสาเหตุสำคัญของความทุกข์คือบาปแต่คนมองไม่ค่อยเห็นว่าบาปเป็นต้นเหตุสำคัญของความทุกข์ทั้งส่วนตัวเองและสังคมคราวใดในที่ใดได้รับทุกข์ ก็ลองสำรวจดูว่ามันมาจากบาปหรือเปล่า 2. ถ้ามันไม่มาจากบาปก็ถือว่าเป็นความทุกข์ที่เราต้องลงทุนมีพระพุทธพจน์บอกว่าความชั่วมีผลเป็นความทุกข์ความดีมีผลเป็นความสุขกระตุกกลับพลังแปลว่ามีผลเป็นทุกข์คล้ายๆกับว่า นาหิตตังสุลพังโหติสุขพังดุกตะการินาคนทำความชั่วหาความสุขได้ยากก็คือต้องมีความทุกข์นั่นเองมีหลายบทนะครับปัดฉาตปติดุกตะตังความชั่วย่อมตามแผดเผาในภายหลังอักตะตังดุกตะตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสเลยดีกว่า ปัดช้าตับปติดุกตังเพราะว่าความชั่วตามแผดเผาภายหลังได้ในธรรมบทบอกว่าคนทั้งหลายยังเพลิดเพลอในการที่จะทำชั่วอยู่ตราบใดที่ความชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วมองเห็นความชั่วเป็นความดีเมื่อความชั่วยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผล เขาต้องเห็นความชั่วเป็นความชั่วคนดีเห็นความดีเป็นความชั่วตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความดีให้ผลเขาก็เห็นความดีเป็นความดีนี่เป็นพุทธภาสิทธในธรรมบทความทุกข์ของสังคมถ้าเผื่อสังคมไม่มองผ่านตรงนี้ไปส่วนมากจะมองผ่านเรื่องนี้ไป ถ้าเพ่งมาตรงนี้นิดหนึ่งว่าความทุกข์ของสังคมมาจากบาปของสังคมคือคนในสังคมช่วยกันทำบาปทำทุจริตมากเข้ามากเข้าแล้วพอผูนขึ้นแต่ละคนทำบาปมากบ้างน้อยบ้างแล้วมารวมกันเป็นทุกข์ของสังคมเป็นกองบาปกองใหญ่เหมือนกับที่ประเทศเป็นหนี้มากมาก เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็กระทบด้วยอย่างความฟุ่มเฟือยนี่ก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งความตระนีก็เป็นความชั่วอย่างหนึ่งอันนี้คนไม่ค่อยรู้ว่าความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเป็นบาปหรือความชั่วเพราะเขานึกแต่ว่าเขาจ่ายเงินของเขาเขาหาเงินมาแล้วก็จ่ายไปเพื่อบำรือความสุขของเขา เขาไม่ได้นึกว่าความฟุ่มเฟือยเป็นบาปเพราะเขาหามาก็จริงแต่มันเป็นทรัพยากรของสังคมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้มากเกินจำเป็นแต่ใช้ได้เท่าที่จำเป็นนี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้ใช้อะไรเกินจำเป็นอย่างในบ้านมีคนห้าคนมีรถห้าคันอาจพออนุโลมได้ แต่มีรถสามสิบพันก็เกินจำเป็นเป็นความชั่วไปแล้วนี่เปรียบเทียบหรืออย่างทานกินอย่างฟุ่มเฟือยก็เป็นบาปความจริงเรามองไม่เห็นแต่มันสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายท่านก็อย่าทําตรมที่เป็นบาป ทัในที่รับและในที่แจ้งถ้าท่านทำบาปแล้วหรือจักทำท่านก็จะไม่พ้นความทุกข์ได้เลยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ดังนั้นบาปนี่เป็นต้นเหตุสำคัญของความทุกข์บาปของสังคมก็ทำให้สังคมเป็นทุกข์ส่วนบุคคลก็ทำให้แต่ละบุคคลเป็นทุกข์แต่ที่นี้มองไม่เห็นเพราะมองไปทางอื่นเสีย ที่จริงเหตุมันอยู่ตรงนี้โกนุหาโศกิมานันโดนิจจังปัชลิเตสติเมื่อโลกลุกเป็นไฟอยู่ท่านจะร่าเริงอะไรกันนักอันทะกาเรนะโอนัต t h ท่านทั้งหลายถูกความมืดห่อหอุ้มแล้วปดีปังนะเขเวสถะทำไมไม่สแสวงหาแสงสว่างคือปัญญา สภาพจิตของคนต้องพยายามให้อยู่กับความดีพอเหมาะพอควรถ้าเผลอจิตก็จะน้อมไปในบาปฉะนั้นต้องพยายามให้อยู่กับความดีอยู่กับอารมณ์ที่ดีอยู่กับสิ่งที่ดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงรีทําความดีห้ามจิตจากบาปถ้าทาบุญช้าๆใจก็จะยินดีในบาป อภิษฐะเรถะกัลยาณีปาปาจิตตังนิวารเยคือพอนึกจะทําความดีให้รีบทำถ้าช้าไปจิตก็จะเริ่มน้อมไปยินดีในบาปแต่ถ้าคิดจะทําความชั่วให้ลังเลเไว้ก่อนถ้าทําบาปก็อย่าทําบ่อยๆถ้าทําบ่อยมันจะมีนิสัยในทางบาปปาปัญเจปุริโสกยิรา ถ้าจำเป็นต้องทำบาปก็อย่าทำบ่อยๆและอย่าทำความพอใจในบาปเพราะการสะสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกโขปา ป, ปัสะอุจโยตรงข้ามกับการสะสมบุญสุขโขปัญญสะอุจโยการสะสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทำอะไรบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยทำบุญบ่อยๆ ทำบาบ่อยๆอย่างที่สุภาษิตอังกฤษบอกว่า Thirty times makes a habit ทำา30ครั้งจะเป็นนิสัยอย่างคนไม่เคยสูบบุหรี่ลองสักไม่ถึง30ครั้งก็ติดบุหรี่เป็นต้น r พร t m มส h u มฟรีย์กล่าวไว้ในหนังสือบุติซึมชะตาชีวิตจะเริ่มจากซอสความคิดมาแอคชั่น ตามมาด้วยการกระทำทำบ่อยๆก็จะเป็นฮับปิดหลายๆฮบปิดเป็นคาแรคเตอร์คืออุปนิสัยเป็นอัตลักษณ์จากคาแรคเตอร์เป็นเดสินีชะตาชีวิตหรือเป็นอนาคตดังนั้นถ้าจะถามว่าเราสร้างอนาคตหรือชะตาชีวิตด้วยอะไรก็ตอบว่าเราสร้างด้วยความคิด ที่แรกมันต้องคิดดีพอคิดดีก็ทำดีทำดีก็เป็นนิสัยดีก็เป็นอุปนิสัยดีแล้วอนาคตก็ดีถ้ากลับกันก็จะตรงกันข้ามเลยพระพิมละธรรมท่านว่าขันน้าหยดน้อยหยดบ่อ ย, อยน้าก็หมดราชกิจแม้ผิดน้อยผิดบ่อยๆก็เสื่อมยศ บุญกรรมถึงทำน้อยทำบ่อยๆก็ปรากฏเหมือนซับจับจ่ายน้อยจ่ายบ่อยๆเงินก็หมดถ้ารักตัวกลัวน้ำตาไหลเรื่องจ่ายง่ายให้เร่งงดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าดูหมิ่นบาปว่าเล็กน้อยจะไม่ให้ผลลองดูการตกลงของหยดน้ำทีละน้อยๆก็ทำให้เต็มตุ่มได้ คนผ่านสะสมบาปทีละเล็กทีละน้อยก็จะเต็มไปด้วยบาปมาวะมันเยทะปาปัสสะนะมัตตังอาคามิสติอย่าดูหมิ่นบาปกรรมว่าเล็กน้อยว่าจะมาไม่ถึงอุดาปินดุนิปาเตนะอุดากุมโพปิปุรติหม้อน้ำเต็มเพราะน้ำตกลงมาทีละน้อย อาปุรติบาโลปาปัสสะโถกางโถกัมปิอาจินางคนพานสะสมบาปบ่อยๆก็จะเต็มไปด้วยบาปพระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ถ้าทำบุญบ่อยๆนานปีไปก็จะเต็มไปด้วยบุญเสวยผลแห่งบุญมีพระพุทธภาสิต ท, ที่ทรงปรารภพระนาคาสมาละ ซึ่งเคยเป็นอุปถาพระองค์ที่วางบาทไว้กับพื้นสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่มีอุปถาประจาอย่างพระอานนท์ก็มีพระหลายรูปเปลี่ยนกันเข้ามาอุปถาเช่นพระนาคาสมาระพระนาคิตะพระเมขิยะบ้างเวียนกันมามีคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปกับพระนาคาสมาระ แล้วไปถึงทางสองแพร่งพระนาคาสมาลมก็จะไปทางหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาทางนี้เถอะอย่าไปทางนั้นเลยพระนาคาสมาละก็ไม่ยอมจะไปทางนั้นให้ได้พระพุทธเจ้าห้ามก็ไม่ฟังพระนาคาสมาละก็เลยวางบาทของพระพุทธเจ้าลงไว้กับพื้นดินพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป เสด็จไปได้หน่อยหนึ่งก็ทรงทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระนาคาสมาละก็เลยแวะลงข้างทางประทับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพระนาคาสมาละก็ไปตามทางของตัวจะเป็นเวรกรรมบันดาลหรืออย่างไรก็ไม่ทราบในอัธกถาท่านก็บอกว่าเป็นกรรมไปโดนโจนปล้นแย่งบาดบ้างจี้วอนขาด พวกหัวแตกเลือดไหลแล้วได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอัิกถาท่านอธิบายท่านบอกว่าเป็นเวรกรรมของพระนาคสมาละที่บันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงทราบหรือว่าถ้าแยกทางกันแล้วพระนาคสมาละจะโดนตีพระอธกาถาอาจารย์อธิบายว่าเป็นเวรกรรมมาถึงเข้า เป็นการเปิดช่องทางให้กรรมให้ผลพอพระนาคสมาลมกลับมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสสุภา ษ, ษิตว่าบุคคลผู้รู้ผู้ถึงเวทในที่นี้หมายถึงรู้อริยสัจผู้เที่ยวไปด้วยกันอยู่ด้วยกันปะปนกับคนผู้ไม่รู้ย่อมละเว้นคนบาปเสียได้คือไม่เป็นอย่างเดียวกันกันกบคนบาป เหมือนนกระเรียนเมื่อบุคคลเอาน้ำเจือน้ำนมเข้าไปให้ก็ดื่มแต่น้ำนมเท่านั้นแยกน้ำออกเสียนี่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระนาคาสมาละจากทวิทาปะาสูตรพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ175หน้า222ร้อยีอคำพีอุทานสุภาษิตนี้ดีมาก คือในคนคนหนึ่งก็มีส่วนดีบ้างและส่วนไม่ดีบ้างเราต้องแยกแยะและถือเอาแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีก็ค่อยตักเตือนกันไปแก้ไขกันไปให้โอกาสกันไปหวังว่าเขาจะดีได้ในวันหนึ่งก็จะทำให้สบายใจและด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์ด้วยเมตตาถ้าทำอย่างนี้เวรภัยก็จะน้อยลง อย่างพระพุทธพจน์ที่ว่าอติติขโขเวระวาถ้าแข็งกร้าวเกินไปก็จะเต็มไปด้วยเวรภัยอ่อนแอเกินไปก็ถูกเหยียบย่ำพูดถึงท่านเมคียะสักหน่อยท่านเมขยะก็เคยเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันและก็มีหัวข้อธรรมที่น่าสนใจมากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระเมคียะ วันหนึ่งพระเมเขียะก็ไปบิณฑบาตในสวนที่เรียกว่าฉันตุคามไปเจอสวนมะม่วงรื่นรมง่าอยู่มากกลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะขอไปบําเพ็ญสมณธรรมที่สวนมะม่วงพระพุทธเจ้าขอร้องว่าเมเขียะอย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้เราอยู่คนเดียวให้ภิกษุอื่นมาอยู่ก่อนแล้วเมเขียะค่อยไป เมเขิยะก็อ้อนวอนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามถึงสามครั้งเหมือนกันในครั้งสุดท้ายพระเมเขิยะบอกว่าก็ได้สิเพราะพระองค์นั้นไม่มีอะไรจะทําแล้วถือหลุดพ้นแล้วแต่ข้าพระองค์ยังต้องทําความเพียรเพื่อหลุดพ้นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมเขิยะถ้าเธอพูดอย่างนี้เราจะพูดอะไรได้ก็ไปเถอะ พระเมขียะไปสวนมะม่วงเดินเล่นแล้วก็ลงนั่งที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งใจไม่สงบใจว้าวุ่นถูกกามวิตกครอบงำปลูกพยาบาทครอบงำปลูกวิหิงสาวิตกครอบงำไปที่สวนมะม่วงแล้วแทนที่จะสงบกลับฟุ้งซ่านท่านบอกว่าตรงนี้แหละพระเมขียะเคยเป็นกษัตริย์อยู่ตรงนี้หลายร้อยชาติ มานั่งเล่นตรงนี้พร้อมด้วยสนมกำนันต่างๆมากมายพอนั่งเข้าภาพเก่าๆ ก, ก็เกิดขึ้นท่านไม่สามารถอดใจได้มีภาพสมัยพระราชามาปรากฏในที่สุดก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหลายเรื่องในอัตถกถาธรรมบทก็ดีครับที่ตรัสถึงว่าจิตนี้ดิ้นรนกัดแกง รักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตและพระพุทธเจ้าให้ทำให้อย่างเพื่อบ่มเจโตวิมุตติให้แก่กล้าดังนี้ 1. กาลยานมิตรสศีล 3. กถาวัตถุสิบ 4. วิริยารมภะ 5. ปัญญาปัญญานี่ก็พูดถึงปัญญาสองอย่าง อุทยัตคามินีปัญญาและอริยะนิเพธิกะปัญญานี่เป็นธรรมห้าประการที่ทรงแสดงให้กับพระเมขียะที่กลับมาเฝ้าและทรงแสดงธรรมอีกสประการ 1. อภาุพภาวนาเพื่อให้ละราคะ 2. เมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาท 3. อานาปานสติ เพื่อตัดวิตต 4. อนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมานะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อได้อนิจจสัญญาแล้วก็จะได้อนัตตสัญญาด้วยตัวที่จะถอนอสมิมานะจริงๆก็คืออนัตตสัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ได้อนิจจสัญญาแล้วก็จะได้อนัตตสัญญาด้วย นี่เป็นหัวข้อธรรมที่ดีมากนำพำผนวกไว้กับเรื่องพระนาคาสมาละพระเมขียะซึ่งเป็นอุปถากแต่ก็ไม่ค่อยอยู่อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุห้าสิบห้าพันได้ตรัสในที่ประชุมสงเรื่องอุปถากและในที่สุดก็ได้พระอ น, นุ์มาเป็นอุปถาประจำมีคนสงสัยอยู่เสมอว่า ความชั่วกับความดีนี้อันไหนกระทำยากอันไหนทำง่ายส่วนมากก็จะตอบว่าความชั่วทำง่ายความดีทำยากแต่ถ้าตอบโดยอาศัยพระพุทธพาสิทธ์ก็บอกว่าแล้วแต่คนถ้าคนชั่วก็ทำชั่วได้ง่ายถ้าคนดีก็ทำดีได้ง่ายสุการะังสาธุนาสาธุ ความดีคนดีทําง่ายสาธุปาเปนะดุกกรังความดีคนชั่วทำยากทําชั่วง่ายทําดียากถ้าเขาเป็นคนชั่วถ้าเขาเป็นคนดีก็ทําดีง่ายทําชั่วยากพระอริยะทําชั่วได้ยากต่อไปถ้าใครถามก็ตอบตามพุทธภาษีนี้ สำหรับตัวเราถ้าเราจะเข้าใกล้คนไม่ดีก็ต้องสำรวจตัวว่าเราเป็นเหล็กหรือเป็นเนื้อเพราะถ้าเปรียบคนชั่วเหมือนหนอนถ้ามาอยู่กับเหล็กนอนก็ตายแต่ถ้ามาอยู่ใกล้เนื้อเนื้อเป็นนอนได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเนื้ออยู่ก็ให้ระวังเนื้อจะเป็นนอนแต่ถ้าแน่ใจว่าเป็นเหล็กก็ไม่เป็นไรเหมือนที่มีท่านหนึ่งมาถามว่า พระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดหรือที่ว่าไม่ให้คบคนชั่วผมก็ตอบไปว่ายกเว้นแต่ว่าเราต้องการจะอนุเคราะห์เขาถ้าแน่ใจว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นคนดีได้พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้คบเพื่อให้เขากลับเป็นคนดีแต่ทีนี้ต้องระวังว่าเขาอาจจะทำให้เราเป็นอย่างเขา หรืออย่างคนติดยาเสพติดมาขอบวชเจ้าเอาว่าจะไม่ให้บวชก็ไม่ได้จะหาว่าไม่เปิดโอกาสให้ทำดีแต่พอบวชแล้วกลับหายาได้ง่ายเพราะตำรวจไม่สงสัยก็ทำให้วัดปั่นป่วนเข้าไปอีกอันนี้ต้องถือตามพระวินยัยพระพุทธเจ้าห้ามว่าคนแบบไหนบวชไม่ได้ซึ่งมีเยอะหลายข้อมาก พระองค์ต้องการให้คณะสงฆ์งามไม่ใช่เป็นที่เก็บคนทุพลภาพคนที่สังคมเขาไม่ต้องการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบาพิตรสมัยที่ท่านยังไม่เป็นสมเด็จพระสังฆราชก็มีคนเล่าให้ฟังอีกทีผมไม่ได้ยินด้วยตนเองว่าถ้ามีคนไม่สมประกอบหรือคนแย่แย่ไปให้ท่านบวชท่านบอกว่า วัดไม่ใช่ตะแกรงที่ล้างสิ่งขาวฉะนั้นอย่าเอามาให้ลำบากกันนักเลยถ้าเป็นคนพิการตรงกับหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามก็ต้องไม่บวชให้ต้องเห็นแก่พระพุทธเจ้าและส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่บุคคลผู้นั้นต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องอากุศโลมูล อากุศลมูลข้อที่หนึ่งความโลภต้นเหตุของการทำความชั่วคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอากุศลมูลมีสามอย่างคือโลภโทสะโมหะถ้าสามอย่างนี้เกิดขึ้นอากุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเจริญมากขึ้น มีพระพุทธภาษ์ในสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15หพูดถึงโลภพโดโสจะโมโหจะปุร so ja ja ิส ap ังปาปะเจตสังหิงสติอัตสัมปูตาตจะสารังวสัพพลังโลภะโทสะโมหะเกิดจากตนย่อมเบียดเบียนคนผู้มีใจบาปให้เดือดร้อน เหมือนกับต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่นมีลูกมีผลแล้วฆ่าตัวเองในตำราท่านว่าเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ตัดจะสารังแปลว่ามีเปลือกเป็นแก่นพอมันมีลูกก็ฆ่าตัวมันเองถ้าระวังบาปก็ต้องระวังตัวใหญ่ๆพวกนี้คือโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความชั่ว ขอพูดถึงความโลภที่จริงอะไรดีอะไรชั่วก็พอรู้กันอยู่ไม่ยากที่จะรู้แต่การละความชั่วทำยากกว่าเยอะเลยต้องรู้จักเส้นหน่อยว่าความโลภคืออะไรความโลภสามระดับหนึ่งความโลภอย่างหยาบคืออยากได้ของของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำโกงบ้างแย่งชิงบ้าง ที่รู้จักโดยทั่วไปว่าคอรัปชันพุกรูปแบบอันนี้ก็เป็นความโลภอย่างหยาบสมัยราชการที่ห้าที่วัดเป็นจ้มา่อพิษจะมีโรงครัวให้แม่ครัวเป็นผู้ประกอบอาหารเลี้ยงพระวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปบางไปอินไปเจอกำนันคนหนึ่งชื่อกำนันช้างพระองค์ปลอมตัวไปก็ไม่รู้จักว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็บอกว่าบ้านอยู่แถวแถวัดเบญจะเวลาจะกลับก็บอกว่าก็ดีแล้วจะฝากปลาเคม็มปลาล่ามาถวายเนนที่วัดเบญจะพระองค์ก็ถามว่าที่วัดไม่อดไม่อยากไม่ใช่หรือทําไมต้องส่งอาหารไปด้วยลำนันช้างก็บอกว่าเนนเขียนจดหมายมาว่าอาหารไม่ค่อยดีเลยพระองค์ก็มาสอบสวนปรากฏว่าต้นเหตุอยู่ที่แม่ครัว สมมติว่าวันหนึ่งวันหนึ่งต้องจ่ายค่าอาหารวัน ล, ละ20สบบาทออมไปเสี้อบหาบาทอย่างนี้ก็คอร์รัปชันเหมือนกันมันก็เข้าตตำราพี่เลี้ยงเลี้ยงเสือพอเลี้ยงสี่คนเสือก็ตายพอดีตอนเลี้ยงคนหนึ่งเสือก็ผอมลงคือให้วันละบาทคนเลี้ยงก็เอาเสื้อสลึงเดียว เอ๊ทำไมเสือมันไม่อ้วนก็ให้ไปช่วยเลี้ยงอีกคนก็เอาไปอีกสลึงหนึ่งคนที่สามก็เอาอีกสลึงหนึ่งก็ยังเหลือเงินเลี้ยงเสืออีกสลึงเดียวส่งมาคนที่สี่เอาอีกสลึงหนึ่งเสือตายเลยเขาก็ว่างบประมาณของเราเปรียบเหมือนไอศครีมแท่งตอนอยู่ที่กรุงเทพมันก็เต็มแท่งพอไปถึงแม่ห้องสอนเหลือแต่ไม้ หรือบางทีเปรียบเหมือนการถ่ายน้ำพึ่งบางทีก็ส่งไปในที่ต่างๆไปถึงไหนก็ถ่ายน้ำพึ่งทีหนึ่งมันติดขวดติดหายพอไปถึงปลายทางก็เหลือไม่เท่าไหร่เรื่องคอรัปชั่นทำยังไงถึงจะหมดไปจากบ้านเมืองก็ต้องคนไม่โลภเขาบอกเอาคนจนมาบริหารมันก็ไม่แน่ บางคนบอกเอาคนรวยมาบริหารมันก็ไม่แน่ต้องเอาคนไม่โลภวิธีที่จะไม่โลภ ก, ก็คือสันโดษต้องมีสันโดษเป็นการป้องกันคอรัปชันป้องกันอธินาทานถ้าเผื่อว่ามีสันโดษการประกอบสัมมาชีพมันก็เดินได้สะดวกถ้าหลายๆคนหรือคนเป็นจํานวนมากประกอบสัมมาอาชีวะไม่มีคอรัปชัน ไม่มีความโลภในทางที่ผิดธรรมการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสังคมจะเป็นไปโดยเรียบร้อยทีนี้ถ้าพัฒนาทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีความโลภอยู่มันจะพัฒนาไปสู่หายยันนะต้องมีสันโดษควบคุมสมมติว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีมีส่วนรับผิดชอบพ่อค้าก็ไปประมูลได้โดยธ ร, รมเนียมเขาก็ว่า 20% เอร์เซ็นต ลักษณะนี้ถือว่าคอรัปชันเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็คือไม่ควรจะรับอยู่ที่ตัวผู้รับถ้าเราไม่รับคนให้เขาก็ให้ไม่ได้ปกติก็เป็นที่รู้กันว่าต้องให้ 20% เปอร์เซ็น์ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้และนั่นก็คือคอรัปชันอภิชาวิสมะโลภะเหมือนกันถ้าเผื่อใจเด็ด ต้องการจะฝึกไม่ให้เป็นคนคอรัปชันต้องใช้คารวาสธรรมและต้องมีศัจจะอธิษฐานใจเด็ดเดี่ยวว่ายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าราชการท่านก็เลี้ยงพอสมควรแล้วระดับผู้บริหารเงินเดือนก็สูงบริการก็เยอะค่ารถไฟค่าเครื่องบินรักษาพยาบาลก็ถึงพ่อถึงแม่ ท่านให้พอสมควรก็น่าจะเพียงพอถ้าอยู่อย่างประหยัดสันโดษก็น่าจะเพียงพอ 2. ความโลภอย่างกลางคือไม่รู้จักพอความไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาไม่รู้จักประมาณในการได้อยากได้เกินจำเป็นถึงจะได้มาโดยสุจริตแต่ไม่รู้จักพอในการได้มาก็เป็นความโลภอย่างกลาง ท่านมหาตามะคารทีท่านเคร่งครัดถึงขนาดว่าตามมติของท่านแล้วการสะสมทรัพย์ไว้เกินจำเป็นเป็นการขโมยโดยที่ท่านอธิบายว่าทรัพย์สมบัติในโลกเป็นของกลางเป็นของโลกมีไว้เพื่อคนในโลกไรที่สะสมไว้มากเกินไปเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวมากเกินไปก็จะทำให้ผู้อื่นขาดแคลน คือเป็นการยากที่จะสแสวงหาหรือว่าทำให้เป็นการยากขึ้นในการทำมาหากินบริโภคใช้สอยถ้าคนมีเงินไปถึงที่ไหนก็ไปซื้อที่ปลูกบ้านไว้ทั่วตามความเห็นของมหาธระคารทีท่านว่าแย่งชิงทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสสมมุติว่ามีเก้าอี้อยู่ในห้องสิบตัวมีคนสิบคน ถ้านั่งคนละตัวมันก็พอดีถ้าคนหนึ่งมีอำนาจมีกำลังก็เอาไว้เสียหกตัวก็เหลืออีกเกคนมีเก้าอี้เหลือสี่ตัวเก้าคนนั้นก็จะแย่งกันเกิดปัญหาขึ้นเพราะต้องแย่งกันนั่งแล้วก็ต้องมีหลายคนที่ไม่ได้นั่ง 3. ความโลภอย่างละเอียด คือความติดใจหมกมุ่นผัวพันอยู่ในทรัพย์สินของตนเองคือว่าเฝ้าพิทักษารักษาและเอาใจจดใจจอ่อไม่เป็นอันหลับอันนอนไปไหนก็ไม่ได้ห่วงใยเหนียวแน่นอันนี้เป็นความโลภอย่างละเอียดซึ่งมองไม่ค่อยเห็นยังคนชอบเครื่องแต่งตัวก็จะผูกพันอยู่กับเครื่องแต่งตัวมันห่วงห่วงไปหมด หรือชอบสะสมเครื่องลายครามหรือเล่นของอะไรก็แล้วแต่มันทำให้จิตใจหมกมุ่นผัวพันไม่เป็นอันทำอะไรไม่สบายใจคนที่มีรถยนต์สวยๆโทมนัสมากเลยเวลาไปโดนขีดข่วนมีพระรูปหนึ่งรักรถมากเช็ดถูทุกวันมีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์ขับไปลุยโคลนท่านร้องไห้เลย นี่เป็นความโลภอย่างละเอียดมันหมกมุ่นติดพันในของที่ตนมีอยู่เป็นอุปาทานมากเกินไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปทำอย่างไรจึงจะไม่โลภต้องภาวนาไว้เสมอว่าเอาอะไรไปไม่ได้เลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เอาไว้อาศัยใช้อาศัยอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อสโกโลโกสัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นของของตนอันนี้พระรัฐบาลก็ได้สืบช่วงมาได้แสดงถามแก่พระเจ้าโกรพยะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อสโกโลโกสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนสัพ์บางปหายะคมณียังจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป เราจะสะสมไว้มากมายเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวก็ต้องทิ้งไว้ให้โลกสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนดูได้ตอนรดน้าศกแบมือให้ดูว่าฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปตอนอยู่ก็ต้องมีอะไรบ้างแต่มีพอเพียงพออาศัยอาศัยกินอาศัยใช้ไม่มากเกินไป ถ้ามนุษย์เราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะความโลภไม่เบียดเบียนธรรมชาติมีบ้านหลังเดียวก็พอไม่ต้องมีสิบหลังภาวนาอยู่เสมอว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่จะไม่ให้โลภเกินไปพระพุทธเจ้ายังตรัสสอนไว้ว่า อติโลโพโหิปาปโกโลคเกินไปนั้นเป็นบาปโลคมันเป็นอกุศลมูลอยู่แล้วยิ่งโลคมากก็ยิ่งเป็นบาปใหญ่อันนี้พระพุทธองค์ปรารบถึงสามีตายไปแล้วเป็นห่วงครอบครัวไปเกิดเป็นหงทองนานๆก็มาสลัดขนทองให้ภรรยาครั้งหนึ่งพอเลี้ยงชีพไปได้ไม่ลำบาก ที่นี้แม่บ้านก็โลภมากคิดว่าสัตว์เดรัจฉานไว้ใจไม่ได้จะไม่มาเมื่อไหร่ก็ได้เลยจับถอนขนหมดขนที่ถอนก็ไม่เป็นทองเพราะเขาไม่เต็มใจให้ขังตุ่มเอาไว้ขนงอกใหม่ก็เป็นขนขาวไม่เป็นทองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโลภเกินไปเป็นบาปเป็นความชั่ว ใครให้อะไรพอสมควรแล้วก็อย่าไปอยากได้อะไรมากอีกเลยเขาให้ตามกำลังอย่าไปถึงกับบีบพัน์เขาไม่เต็มใจให้ก็ไม่เป็นสิริมงคลพระองค์สอนให้พระทำตัวเหมือนมแมลงผู้ที่บินเข้าสวนดอกไม้เชยแต่เกสรดูดแต่น้ำหวานไม่ทำให้ดอกไม้ชอกชำ้ำ และทำให้ดอกไม้นั้นมีการผสมเกสรด้วยถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สอนว่าโลโพธรรมมานาังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายของการปฏิบัติธรรมต้องพยายามลดความโลภลงเมื่อพยายามลดความโลภแล้วสิ่งหนึ่งที่จะคู่ตามกันมาก็คือสันโดษสันตุติปรมังทนาง ความสันโดษเป็นทรับอย่างยิ่งมันทำให้อยู่ด้วยความสุขสำราญใจด้วยความพอใจเท่านี้พอแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดความจริงถ้าคิดอย่างนี้ได้สังคมจะเจริญด้วยความเรียบร้อยไม่เจริญอย่างโรครุงรังทุกคนเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่มกักมากลองนึกดูมกักมากก็แล้วกันว่ามันอันตรายแค่ไหน อย่างที่มีการสำรวจว่าประชากรโลกมีประมาณ 6,000 ล้านคนประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากร200กว่าล้านคนแต่ประชาชนอเมริกันบริโภคทรัพยากร 40% เอร์ซน์กว่าของพ ล, ลโลกแสดงว่ามากมายจริงๆพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้โลกสอนให้สันโดษนี้เป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจของผู้นั้น เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมแก่ธรรมชาติแก่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ที่จะเลี้ยงประชากรไปได้ตลอดนานแสนนานเพราะมันมีการเกิดขึ้นใหม่ถ้าไม่ไปทาลายซะมากมายมันจะมีสมดุลของตัวมันเองอยู่เหมือนกับมีน้ำสองแก้วเราดื่มแก้วหนึ่งคนอื่นก็ได้ดื่มอีกแก้วหนึ่งถ้าเราเอามาสองแก้วคนอื่นก็ไม่ได้กิน เราอาจจะกินได้แก้วครึ่งแล้วเททิ้งหรือถ้าแย่งกันก็ไม่มีใครได้กินแต่ถ้าแบ่งกันก็ได้กินทุกคนความดีก็เหมือนกันถ้าแบ่งกันดีก็จะดีได้ทุกคนแต่ถ้าแย่งกันดีก็จะไม่ได้ดีสักคนฉะนั้นก็ถือหลักการแบ่งแทนการแย่งถ้าพิจารณาต่อไปอีกจะพบว่า มนุษย์เราได้เสียเวลาไปมากเหลือเกินในการใช้ชีวิตให้แล่นไปตามความโลภความโกรธและความหลงกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วแทบทั้งนั้นน่าเสียดายเวลาที่เสียไปตั้งครึ่งก้อนชีวิตที่ต้องเป็นทาสของความโลภให้ความโลภมันใช้จนหัวสุกหัวซุนเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเวลาของชีวิตจะหมดเสแล้วจะทาอะไรไม่ค่อยทันแล้ว น่าเสียดายแล้วเอาเข้าจริงก็ไม่ได้อะไรไปเสียเวลาไปเปล่าอากุศลละมูลข้อที่สองความโกรธมีภาสิทธิ์บทหนึ่งที่ว่านะหิสาทุโกโทวความโกรธไม่ดีเลยทำไมจึงว่าไม่ดีก็รู้กันอยู่นะครับให้ผลไม่ดีทั้งทางกายและจิตมันทำให้ร่างกายผิดปกติ และยังทำให้แสดงอาการหยาบคายกระด้างไม่สุภาพไม่เหมือนเวลาปกติลดเสน่ห์ในตัวมีโทษในปัจจุบันและอนาคตมากมายบางคนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นปัญหาของชีวิตมันไม่เหมือนกับว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตแต่ความโกรธไม่ใช่เป็นธรรมดา เป็นปัญหาของชีวิตเพราะโกรธแล้วมันมักจะเป็นปัญหาหรือมีปัญหาก่อนแล้วจึงโกรธหรือโกรธแล้วจึงสร้างปัญหาต่อไปอีกในครอบครัวถ้าจำเป็นต้องโกรธก็อย่าโกรธพร้อมกันถ้าโกรธพร้อมกันแล้วเรื่องมันลุกลามใหญ่โตมีหลักอยู่ว่าโกรธก็ได้ถ้าจะโกรธแต่อย่าโกรธพร้อมกันให้โกรธคนละที ทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธคำพีต่างๆท่านก็ให้แนวไว้เยอะเช่นหนึ่งพิจารณาถึงโทษของความโกรธมันมีโทษแก่เราอย่างไรยางโกโทอุปรโรเทติสุกรังวิยะดุกรังเมื่อความโกรธครอบงำแล้วเรื่องยากก็ทำง่ายเคยทำไม่ได้ก็ทำได้อะไรที่เคยพูดไม่ได้ก็พูดได้ ให้รู้สึกละอายว่าน่าจะโกรธน้อยกว่านี้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธบ่อ ย, อ ย, อยๆก็จะค่อยๆลดลงไปมีพระพุทธภาสิบบางแห่งเช่นคนมักโกรธเหมือนไม้เผาผีในป่าช้าตรงกลางเปื้อนคูดสองข้างไฟไหม้ไม่รู้จะจับตรงไหนจับเข้าก็เปื้อนมือไปหมดคนมักโกรธครบยาก ไม่รู้จะเข้ายังไงจะพูดยังไงเขาจึงจะไม่โกรธเลยเป็นคนคบยากบางคนพูดดีๆก็ยังโกรธนั่นเป็นค น, าน่าลสัมมาวุโตปิกุปติแม้เขาพูดดีก็โกรธนี่เป็นลักษณะของค น, าน่าลสองเห็นใจและให้อภัยเพื่อจะได้ไม่โกรธเขาถ้าเป็นเราทำส่วนมากก็เราก็จะให้อภัย เราเห็นใจตัวเราเองและให้อภัยตัวเราเองอย่างไรเราก็ควรให้อภัยคนอื่นได้อย่างเดียวกันและจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนให้อภัยได้มากไม่กล้าตำหนิใครแรงเพราะรู้สึกตนว่าเป็นคนมีความบกพร่องอยู่เหมือนกันมีความบกพร่องที่ต้องการการให้อภัยความเห็นใจจากผู้อื่น ทำให้มีปกติเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นได้สมมติเด็กถือถ้วยชามหลุดมือแตกผู้ใหญ่ก็จะดุด่าว่ากล่าวหรือลงมือตีนี่แสดงว่าไม่ให้อภัยไม่เห็นใจถ้าเขาเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็เห็นใจและให้อภัยว่ายังเป็นเด็กอยู่ทีนี้เด็กก็ต้องคิดเป็นเหมือนกัน คิดว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านแก่แล้วก็เห็นใจท่านและให้อภัยท่านต่างฝ่ายต่างก็ให้อภัยกันมองกันในแง่ดีถ้าอย่างนี้ก็จะไม่โกรธหรือโกรธยากแต่จะไม่ให้โกรธเลยก็อาจจะยากแต่โกรธแล้วให้รู้ตัวระงับไว้ได้ด้วยอันนี้ต้องใช้ขันติและเมตตาเข้ามาช่วย เพราะว่ายังมีความโกรธอยู่ไม่ใช่ไม่โกรธแต่ไม่กระทําอะไรรุนแรงควบคุมได้การควบคุมความโกรธเป็นข้อหนึ่งในวัตตบทเจโกธาพิภูครอบงาความโกรธอนะพิภูตโตไม่ถูกความโกรธครอบงาเป็นคุณสมบัติที่ดีมากมีภาษาอังกฤษยอยู่ข้อหนึ่งที่ว่า ทูเอ r is human to forgive ก mm ิฟติวการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่การให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดาหมายความว่าคราวใดที่เราให้อภัยคราวนั้นเราเป็นเทวดา mm hmm. ก็ดูได้จากพระอริยะบุคคลท่านให้อภัยเสมอแม้ผู้ที่ประทุษร้ายต่อท่านท่านก็จะให้อภัยเป็นโทษของสังสารวัฏ คือแทนที่ท่านจะไปลงโทษบุคคลผู้นั้นหรือลงโทษตัวท่านเองท่านกลับว่าเป็นโทษของสังสารวัตร 3. แผ่เมตตาอันนี้ต้องอบรมจิตให้เปี่ยมด้วยเมตตาอยู่เสมอให้ชุ่มเย็นอยู่ด้วยเมตตาแล้วจะโกรธยากเหมือนสถานที่ที่ชุ่มอยู่ด้วยน้ำเอาไฟมาก็จะดับถ้าจิตเมตตามีเรื่องโกรธเข้ามามันก็จะดับไป พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนแหย่คบเพลิงลงไปแม่น้ำคงคามันก็ดับไปเองหรือพูดอีกอย่างคืออย่าไปเติมเชื้อให้ไฟอาหารของความโกรธมีเยอะนะครับขับรถปาดหน้ากันก็จะโกรธไปหมดพื้นใจมันหงุดหมีดพร้อมที่จะโกรธไม่ให้อภัยกันไม่ได้แผ่เมตตาส ระลึกถึงพระจริยาของพระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกว่าท่านทำมาอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราอาจมีคนบอกว่าก็พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่โกรธแต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ต้องโกรธอันนี้ก็ไม่ถูกหรอกครับเราก็ต้องเดินตามทางที่พระองค์เดิน ไม่งั้นการเคารพนับถือกราบไหว้ก็ไม่มีความหมายอะไรญาตานุญาญีเดินตามทางที่พระองค์เดินมาแล้วถ้าเราอ่านประวัติพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเราจะได้แบบอย่างที่สงบเยือกเย็นมีความสุขอยู่ในใจมีสันติสุขเกิดขึ้นภายในชาวพุทธที่มีสันติสุขเกิดขึ้นในใจดีกว่ามีศีลมากๆ คนที่มีศีลมากๆแต่ไม่มีสันติสุขภายในจะสู้คนที่มีสันติสุขภายในไม่ได้ถึงจะมีศีลน้อยแต่มีสันติสุขภายในจะได้รับประโยชน์ของาศาสนามากกว่าห้าระลึกถึงความสัมพันธ์กันในสังสารวัตรว่าคนเรานี้มีความสัมพันธ์กันในสังสารวัตยาวนาน ไม่รู้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรต่ออะไรกันมาในสังสารวัตนนี้อาจจะเคยเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องเคยเป็นผู้ช่วยชีวิตเคยอุปถัมภ์ค้ำชูลองนึกดูความสัมพันธ์บางทีก็เป็นศัตรูกันบ้างเป็นมิตรกันบ้างไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าในสังสารวัตนนี้ใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันไม่มี สัเพศสัตตานี่ช่วยได้เยอะเลยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นความจริงสังสารวัฏนี่เป็นสิ่งน่ากลัวดูข่าวทีวีแล้วเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนมากมายเห็นภัยของสังสารวัฏคือที่ประสบทุกภยัยโรคภยัยก็คือวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทั้งนั้นถ้าตัดวัฏตะ ไม่มีสังสารวัตรแล้วทุกโศโรคภัยต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีมันเป็นสัปติพยโสสังสารโรสังสารนี้เต็มไปด้วยภัยอันตรายหกสงเคราะเอื้อเฟื้อให้ของรับของกันให้ของก็ได้รับของก็ได้ก็จะทำให้จิตใจของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นแต่บางทีก็คอยจังหวะอยู่นะครับ คนที่โกรธกันคอยจังหวะว่าเมื่อไรใครจะเริ่มก่อนถ้าคนหนึ่งลดอัศมิมาณรลงมีโอกาสก็เอื้อเฟื้อเขาเผื่อแผ่เขาให้ของเขาบ้างรับของเขาบ้างนี่ก็เป็นอุบายอย่างหนึง่งไม่ให้โกรธหรือโกรธแล้วก็ให้หายไปเร็วนิธานของพระพยอมผัวเมียทะเลาะ ก, กันไม่ยอมพูดกันผัวจะพูดกับเมียก่อนก็กลัวเสียเชิง เมียสมิมานะเมียก็กลัวเสียเชิงก็ไม่พูดกันผัวก็หาทางที่จะทำยังไงให้เมียพูดก่อนวันหนึ่งผัวก็หูมข้าวเอาทัพพีเน็บไว้ข้างหลังตะโกนถาม ล, ายลอยๆอเอ๊ใครเอาทัพพีไปไว้ไหนเดินหาเมียก็รำคาญก็บอกว่าก็อยู่ข้างหลังนั่นไงเลยได้พูดกันสุภาษิตในหิตโตประเทศท่านว่า บัณฑิตถ้าแตกกันแล้วสมานกันเข้าได้ง่ายเหมือนกับหม้อทองเหลืองคือแตกร้าวแล้วก็สมานได้แต่ถ้าคนพาลแตกกันก็เหมือนหม้อดินแตกแล้วก็แตกเลยหรือบัณฑิตแม้จะเป็นศัตรูแต่ก็ยังหวังประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นศัตรูต่อตนนั่นเองเหมือนบัวแม้จะหักก้านแล้วก็ยังมีใยแต่คนพาลไม่เป็นอย่างนั้น แยกธาตุว่าเราโกรธอะไรคนทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุหเราก็เป็นธาตุสี่ธาตุหเราโกรธธาตุดินหรือธาตุน้ําธาตุไฟหรือธาตุลมเราโกรธอะไรก็ล้วนแต่เป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคิดได้อย่างนี้บางทีความโกรธก็ระงับลงไป สังเกตดูเวลาเราตากผ้าไว้ถ้าเผื่อลมมันพัดผ้าหล่นลงไปในคลองเราก็ไม่โกรธลมแต่มักจะโกรธตัวเองว่าเราตากไว้ไม่ดีทำให้ลมพัดไปได้เวลาโดนแดดมากๆเราก็ไม่กดดดโกรธแดดโกรธตัวเราเองถ้าคนทั้งหลายคิดได้อย่างนี้บ้างคือแทนการโกรธผู้อื่นหรือมองออกไปภายนอกลองมองเข้ามาข้างในหัดโกรธตัวเองซะบ้าง ก็จะช่วยให้การทะเลาะวิวาทน้อยลงที่ท่านว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนบางทีมองไม่เห็นด้วยเรื่องของพระปุณณนะที่เคยเล่ากันแพร่หลายก็เป็นประโยชน์มากพระปุณณนะบ้านเดิมท่านอยู่สุนาปรันตะท่านลาพระพุทธเจ้าว่าจะไปอยู่ที่นั่น พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่นั่นโคนโหดร้ายจะไปอยู่ได้หรือถ้าเขาด่าจะทำยังไงท่านก็บอกว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีพระเจ้าข้าดีกว่าเขาตีด้วยฝ่ามือถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือก็ดีกว่าเขาตีด้วยท่อนไม้ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ก็ดีกว่าเขาแทงด้วยสาตราถ้าเขาแทงด้วยสาตราก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเขาฆ่าให้ตาย ก็ดีกว่าพระสาวกบางองค์พยายามฆ่าตัวตายนี่ก็มีคนมาฆ่าให้เสร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเธอคิดอย่างนี้ก็ไปได้ก็ปรากฏว่าท่านไปอยู่ที่นั่นก็ทำให้คนนับถือศาสนาพุทธได้เยอะเราก็พูดกันอยู่เสมอว่าการสร้างแนวคิดที่จะไม่โกรธในภาคปฏิบัติจริงๆมันไปถึงยาก เพียงแต่เข้าดา่ามันก็ตกอยู่ตรงนั้นแล้วมีเรื่องเล่าว่ามีนักเลงนั่งกินเหล้าอยู่คุยกันเสียงดังเด็กหนุ่มเข้ามาในร้านก็กินไปนั่งมองไปนักเลงก็ถามว่ามึงมองหน้ากูทําไมเด็กหนุ่มก็บอกว่าเห็นหน้าเหมือนพระเอกหนังก็เลยหายโกรธไปเรียกว่ามีปฏิพานธ์ไว้ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรได้ สังเกตชุนนักเวลาไปหากินบ้านอื่นหมาประจำบ้านมันก็จะตะคอกมันนอนหงายเลยหมาเจ้าบ้านก็จะไปยืนคร่อมต่อไปหมาตัวนี้ก็ไปหากินได้ทุกคนทุกแห่งเลยไม่มีใครทำอะไรมันคนเราถ้ารู้จักยอมมั่งก็ไม่มีใครเจ็บตัวยอมในเรื่องที่ควรยอมผู้ชนะก่อเวรผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์ ถ้าทำอย่างไรที่จะไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้ได้มันก็เป็นสุขอุปสันโตสุขขังเสติหิตวาชัยะปราชะยังผู้ละการชนะและการแพ้ได้แล้วก็วอยู่สงบเป็นสุขตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คนโกรธได้ง่ายก็คืออัศมิมานะความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเราเป็นใครคุณเป็นใคร ทำให้เกิดโทสะได้ง่ายคือมีปมเขื่องบ้างปมด้อยบ้างบางคนมีปมด้อยมากใครไปกระทบปมด้อยเข้าหน่อยก็โกรธ ถ, ถ้าคนที่มีปมเขื่องมากใครไปลดปลมเขื่องลงสักหน่อยก็โกรธโกรธมากๆด้วยพยาบาทด้วยฉะนั้นทางที่ดีก็พยายามทำตัวเป็นคนไม่มีปมคนหัวล้านใจน้อยโกรธง่าย แต่บางคนก็ใจดีมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปชอบล้อเลียนตัวเองแล้วคนอื่นก็ไม่มาล้อเลียนตัวเองมีอนุศาสนาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ศีรษะล้านแต่เป็นคนอารมณ์ดีบรรยายที่ไหนก็ถ้ายกเรื่องหัวล้านท่านก็ยกหัวของท่านเองทันทีคนก็จะเฮเลยถ้าล้อเลียนตัวเองคนอื่นเขาก็จะไม่ล้อเลียน ตัวเองมีปมด้อยอยู่แต่ใช้ปมด้อยของตัวเองให้เป็นประโยชน์อย่างนักร้องเมื่อก่อนสังทองสีใสและปัจจุบันก็มีเอ็ดดี้ผีน่ารักแต่ใช้ปมด้อยของตนให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยปัจจุบันก็มีพวกคนแคะมาเล่นตลกเรื่องปมด้อยปมเขื่องเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนโกรธกัน ถ้าเรารู้ว่าใครมีปมด้อยทางไหนก็อย่าไปกระทบปมด้อยเขาต้องระวังให้มากถ้าคนที่มีปมเขื่องก็อย่าไปลดปลมเขื่องเขาประครับประคองปมเขืองเขาไว้เขาก็จะชอบมากถ้าเป็นตัวเราเองก็ปฏิบัติกับเรื่องปมเขืองคือว่าพยายามไม่มีปมทั้งสองปม